งงงตตต้อออต้อออเเจส่ทีธุนดูถามมีพระรูปหนึ่งเดินบินธบาตผ่านหน้าบ้านผมประจำบางวันดูท่านผ่องใสเหมือนเพิ่งออกจากกรรมฐานแต่บางวันก็ดูหมองคล้ำเหมือนคนธรรมดากําลังกลุ้มใจอยากทราบว่าบุญที่ผมทํากับท่านในแต่ละครั้งมีความแตกต่างกันหรือไม่ ก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันท่านตรัสว่าบินธบาต ท, ที่มีอนิสง์แก่ผู้ถวายยิ่งใหญ่กว่าบินธบาตครั้งอื่นๆได้แก่คราวที่พระองค์สวยบินธบาตแล้วตรัสรู้กับคราวที่พระองค์สวยบินธบาตแล้วเสด็จดับขันนั่นหมายความว่าผู้ใดมีโอกาสใส่บาตรพระพุทธองค์ในคราวที่กำลังจะตรัสรู้เป็นพระอรหรันต กับคราวที่กำลังจะละโลกนี้ไปยอมได้ผลภัยบุญยิ่งกว่าใสบาตพระศาสดาองค์เดียวกันในระหว่างทรงพระชนอยู่คือได้อ น, นิสงครอบคลุมทั้งการเป็นผู้มีอายุยืนการเกิดในตระกูลสูงการมีชีวิตที่เป็นสุขการตั้งอยู่ในฐานะไม่น้อยหน้าใครกล่าวได้ว่าบุญนั้นเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อความยิ่งใหญ่โดยแท้ความจริงพระพุทธองค์ ไม่ได้ตรัสให้พวกเรารับรู้แล้วเกิดความโลภแต่ท่านตรัสเพื่อไม่ให้คนถวายพัฒตาหารสุดท้ายเป็นกังวลว่าอาหารของตนเป็นพิษเป็นเหตุให้พระองค์ประชวนหนักถึงขั้นต้องดับขันอย่างไรก็ตามการตรัสแสดงความจริงนี้ทำให้เราได้ความรู้ประการหนึ่งคือแม้จะเป็นบุคคลเดียวกันถ้าต่างวาระต่างโอกาสก็เป็นเครื่องขยายผลบุญผลบาปได้ผิดกัน ในกรณีทั่วไปคุณทําบุญทําบาปกับใครจะได้ผลใหญ่หรือน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นหรือขณะนั้นนั้นผู้ถูกกระทามีคุณภาพจิตดีเลวเพียงใดประกอบกับโดยรวมแล้วผู้ถูกกระทามีบารมีธรรมสูงต่ำปานไหนอย่างเช่นพระที่คุณใส่บาทนั้นวันไหนกายใจท่านผุดผ่องคุณยอมเลื่อมใสเกิดความโสมนัสในการใสบาศ นั่นเป็นส่วนกุศลที่เห็นถนัดแต่ต่อให้คุณตาบอดมองไม่เห็นเลยว่าท่านผุดผ่องเพียงใดการใส่บาดครั้งนั้นก็ย่อมได้ผลไพรู์ในตัวเองอยู่ดีแต่วันใดท่านมีจิตเศร้าหมองก็หาใช่ว่าบุญจะหดไปทันทีเพราะอย่างไรบารมีธรรมของท่านในฐานะที่ใส่ผ้าเหลืองก็ยังคงอยู่หากท่านเป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติต น, ตนตามวินยัยไม่ใช่พระทุศีล คุณก็ได้ชื่อว่าทําบุญกับพระซึ่งเป็นทานที่ยิ่งใหญ่กว่าทานธรรมดามากอยู่แล้วในตัวเองฉะนั้นขอเพียงใจคุณมีความปลาบปลืม้มรื่นเริงในการให้ทานทุกวันผลรวมย่อมใหญ่หลวงอยู่แล้วไม่ควรคำนึงยากเป็นครั้งครั้งว่าวันนี้บุญน้อยวันก่อนบุญมากและวิธีง่ายๆที่จะให้ใจปลื้มได้ทุกวันก็คือเอาตาเป็นเลงที่ชายผ้าเหลืองให้มากกว่ามองหน้าพระ กทิ้งท้ายนะครับในเรื่องการทําบุญให้ได้อนิสง์มากนั้นสิ่งที่ต้องสํารวมตรวจกันให้ลึกซึ้งคือความรู้ในการทําบุญก่อให้เกิดความโลภหรือก่อให้เกิดความเข้าใจความโลภเป็นกิเลส ท, ที่ลดทอนบุญในตัวเองเพราะความโลภเป็นภาคมืดของจิตเป็นมลทินแก่จิตส่วนความเข้าใจเป็นปัญญาที่เพิ่มภูนบุญในตัวเองเพราะความเข้าใจเป็นภาคสว่างของจิตเป็นประกายแก่จิต หากคุณทำบุญไม่เลือกหน้าไม่เลือกวาระโอกาสก็เท่ากับคุณได้สร้างโอกาสแห่งความสุขความเจริญขึ้นแล้วในทุกที่ทุกสถานไหตุ้แต่โทษฟ้าโทษดาวอันในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มากนะเธอจะไม่จะดีมันอยู่ที่ตู้